พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเจดี JD อง์หลวงตาต้องที่สุดถึงที่สุดงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ ที่พวกเราจะต้องสร้างพระเจดีย์เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาหลวงตาเป็นผู้มีบกระคุณต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายรู้และได้ยินได้เห็นไม่ต้องบรรยายทำไมบรรยายเฉยก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ระดับสติปัญญาก็ต่างกันถ้าผู้มีปัญญามาก มีความรู้มีความฉลาดก็จะมองเห็นคุณูปการขององค์หลวงตามากเหมือนกับคนลูกโง่นหะถ้าว่าลูกคนไหนโง่ปัญญาอ่อนจะมองจำรำลึกถึงคุณบิดามันดาได้น้อยมีแต่อยากจะขออยากจะได้ทั้งเองอยากจะกินอยากจะขอจากพ่อแม่แต่ผู้มีปัญญามากลูกผู้ที่รับการศึกษา มีคุณธรรมในจิตใจก็มองเห็นพระคุณของพ่อแม่มากมายมหาศาลที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเราได้เป็นใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็ให้ความรู้ให้การดูแลรักษาเราเราจึงเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคนมีปัญญาตคิดกันกรองไตรตรองเท่าไหร่ พักคุณของพ่อแม่ก็ยิ่งกว้างขวางยิ่งใหญ่โตมโหสอตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยได้มาจากใครเรารู้แต่ถ้าว่าคนลูกชายหรือว่าลูกสาวโง่เขาก็จะไม่รู้อะไรมีแต่ขอเงินเอามาซื้อขนมมากินข้าวเท่านั้นพอเขาไม่ได้คิดอะไรนี่ก็เหมือนกันนะถ้าสิทธิานุสิธ์ขององค์หลวงตาถ้าผู้มีปัญญาแต่เราไม่ได้บอกว่าใครมีปัญญาใครโง่เราไม่ได้บอก ถ้าใครไม่คิดก็แสดงว่าโง่ละไม่ต้องถามใครแต่คนฉลาดก็ต้องร ำ, ำลึกถึงพระคุณองค์หลวงาตาที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างที่ว่าแล้วก็ให้ธรรมะแก่พวกเรามากมายมหาศาลบรรายายไม่มีที่สิ้นสุดคุณูปการขององค์หลวงานานตาเพราะนั้นคราวนี้พวกเราจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถาน คล้ายๆก็จะเรียงลำดับหรือประวัติขององค์หลวงตาไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาของลูกของหลานต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่บันทึกเอาไว้ก็คงจะลืนเลือนลางหายไปน่าเสียดายเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ในเหตุการณ์ประสบการณ์ในยุคของเราเราควรจะบันทึก แนวคุณงามความดีที่องค์หลวงตาได้วางไว้ที่ได้สอนไว้ที่ได้แนะนําไว้เพื่อเป็นแต่ละอักษรอยู่ในแผ่นสีลาจารึกเอาไว้เลยอันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพวกเราแต่ร่วมกันจะสร้างได้ปูนคนลก ถุงคนละสองสามถุงคนละร้อยถุงพันถุงกว่าากันไปเที่ไหอแส่เสียสละเพื่อเจอดีขององค์หลวงตาหลวงพ่อบอกได้เลยว่าพวกเราหว่านพืชลงไปเนี่ยไม่ผิดหวังแต่ทำไมทําไมว่าไม่ผิดหวังเพราะหลวงตาเป็นพระเช่นไหลเป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็สร้างเจดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา ถ้าเราทำบุญกับพระริยะบุคคลอย่างเช่นหลวงตาเนี่ยเหมือนกับเราไปหว่านมเมล็ดข้าวลงในพื้นนาที่ดีดินอุดมสมบูรณ์มีปุ๋ยมีน้ำพอดีมเมล็ดข้าวเม็ดนั้นก็งอกเงยขึ้นมาเห็นลวงออกมาสวยงามได้รับมรับผลเต็มที่แต่ถ้าว่าเราเอ้ยทอย่างนคงืนเมือนเก่าได้ละเราหว่านเข้าไป หวานเม็ดข้าวเข้าไปที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝดหญ้าคาในท้องนาอไม่ได้ปรับไม่ได้เตียนดินค่อยแห้งแห้งหญ้าก็เกิดอีกพวกเราคิดดูก็แล้วกันนะเอเวลาข้าวมันหวานลงไปแล้วมันงอกเงยขึ้นมากับมะล่อนต้นแต่นไปเรื่อยสองสามเม็ดรวงหนึ่งนี่แหละมันทําไมมันต่างกันมันดินเหมือนกันมันดินเหมือนกันก็จริงอยู่การทําก็เหมือนกันแต่ว่าเนื้อนาน่ะ มันต่างกันเนี่ยนี่แหละให้พวกเราเลือกสรุปแล้วก็คือเลือกสะก่อนยังค่อยทำํำมีใช่ว่าหลับหูหลับตาแล้วก็ทําไปเลยบางคนเขาบอกออไม่อยากจะทําให้วัดวาศาสนาอยากไปทำอยากจะทําช่วยสาธารณประโยชน์อยากจะทําสาธารณประโยชน์มากกว่าแต่ตามไม่จริงวัดวาศาสนาเนี่ ย, ยคือต้นแห่งสาธารณประโยชน์ พวกเราคิดดูสิวาเนี่ยศาลาหลังนี้นะศาลาหลวงพ่ออินใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่ศาลาใครศาล า, าวัดศาล า, าสาธารณประโยชน์ถ้าพวกเราขึ้นมานั่งหลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ไม่มีเข้ามาสู่วัดก็ไม่ใช่ราคาเท่านั้นราคาเท่านี้นาาเหมือนกับเข้าโรงหนังโรงละครโรงอะไรที่เข า, เ, าเก็บ ฆ่าผ่านประตูนะไม่มีเพราะหตอะไรเพราะวัดเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยการทําบุญกับวัดเนะี่ยคือคือส า, สาธารณประโยชน์ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วคนนีนะ้เมื่อเข้ามาพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อก็พูดอะไรให้แก่พวกลูกพวกหลานฟังอีกถ้าหลวงพ่อไม่มีศาลาหลังนี้หนะลวงพ่อจะไปพูดที่ไหนไปพูดในลมไม้พวกเราจะไปนั่งที่ไหน น, นั่งกับพื้นดินจะได้หรือฝนตกจะแน่นี่แหละอันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วการทำบุญอย่างที่หลวงพ่อพูดว่านพืชตรงตรงไหนจึงจะเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านว่ า, าปฏิกาหกทายกปฏิคาหกทายกคือผู้ให้ใปฏิคาหกก็คือผู้รับท่านเปรียบเทียบอย่างที่หลวงพ่อพูด ทายกเป็นผู้ให้เงินที่ได้มาไปคดไปกองไปป้นไปยี้ไปเบียดไปบางเขามาอันนั้นไปว่าพืชพันธุ์ไม่บริสุทธิ์พืชพันธุ์ที่ไม่บริสุทธิ์แต่เอามาหวานลงในเนื้อนาที่ดีก็จะงอกเงยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเงินของเราได้บริสุทธิ์น้ำพักน้ำแรงของเรา แล้วก็เราทําบุญกับพระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกหรือพระท่านออกจากนิโรธสมาบัติพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติอย่างนี้แปลว่าเนื้อนาที่ดีเยี่ยมพืชของเรามเมล็ดข้าวของเราก็ดีเยี่ยมอีกเหมือนกันรักษาไว้อย่างดีมาหว่านลงพืชเช่นนั้นแปลว่ากุบุญกุศลมหาศาลทวีคูณก็ เ, เห็นไรเพราะพืชพันก็ดี เนื้อนาที่ปลูกฝังก็ดีทั้งสองอย่างแต่ถ้าว่าเนื้อนาของเราไม่ได้เตรียมการเต็มไปด้วยหญ้าแฝกหญ้าคาอย่างที่ว่านมาเมล็ดข้าวของเราก็เก็บไว้ปีสองสามปีข้ามปีข้ามเดือนไปแล้วเอามาหวานขึ้นมาแล้วก็บางเม็ดก็ออกบางเม็ดก็ไม่ออกแค่นั้นก็ไม่ได้ผลนี่อันนี้ท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นให้แกพวกเราฝังไม่ใช่ว่าการทาบุญไม่ใช่ว่าจะได้ทัก ทั้งหมดทุกอย่างไม่ใช่จะต้องแตกต่างกันแต่ถึงยังไงในการเสียสละเนี่ยในการทำบุญท่านก็ไม่ใช่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันตะก่อนเราจึงจะทำบุญก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราเกิดมาพบในชาตินี้เราก็ยังไม่ได้เห็นท่านเราจะทำยังไงคอพอที่จะทำจุดไหนไปก็ทาไปก่อนหลวงพ่อว่าให้มือไวเอาไว้ก่อนก็ดีถ้าเรามี ส, บสมบัติเห็นตาบอดเราก็ทานให้ตาบอด หเห็นหมาหมูหมากาไก่ล้าก็บริจาคให้หวานข้าวให้มันกินหเห็นคนเด็กคือกองพิการลรวก็ให้เรือว่ให้โรงพยาบาลที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็ให้แต่ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เดือดร้อนถ้าเราทำไปแล้วเสียใจเมื่อภายหลังอันนั้นไม่ควรจะทำพเพราะทำไปแล้วเสียใจเพราะเราเสียดายทรัพย์อันนี้เราได้มาร้อยบาท เราบริจาคไปห้าบาทก็ไม่น่าจะเสียใจเพราะเหตุไรเพราะแบ่งอยู่แบ่งเกีย์แบ่งใช้แบ่งทําบุญพอเราเกิดมาแล้วเราจะต้องมีการเสียสละนี่แหละอันหนึ่งก็คือนี่แหละคือพวกเราให้ให้รู้จักแบ่งปันถ้าว่าเรามีแต่ไม่รไม่รู้จักการแบ่งปันได้มาเท่าไหร่เก็บหมดนะลกูกหลานพี่น้อง หมูหมากาไก่ก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครเนี่ยนี่แหละถ้าว่าเราเป็นผู้แบ่งปันพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้ที่อยู่ใกล้ก็เป็นที่ยอมรับอย่างองค์หลวงตาท่านมาวัดที่หลวงพ่อท่านเห็นหมดแดงมันเป็นฟูมันหากินหลวงตาได้ยังท่านยังได้ไก่ย่างในรถของท่านเอามาสิเอามาท่านก็มาจับเองท่านก็นั่น แบบเป็นชิ้นเล็กๆวางวางไว้หมดแดงมืนกันลุ่มมากินท่านมองท่านก็หัวเลาะนี่แหละมันได้อาหารเออมันได้อาหารที่มันมันหามกันไปเป็นฟูงเลยที่นี่มันเออถ้ากลับลมาทั้งมองอีกมันเอาหมดได้ยังน่ะนะนี่แหละท่านเห็นความเป็นอยู่และชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหาร ท่านไม่ได้มองข้ามท่านขนาดตัวมดท่านก็ยังให้ความใส่ใจสนใจลงตาแต่ดูๆแล้วเรามองดูท่านเหมือนกับท่านมองอีกหนึง่งแต่ในใจของท่านใจของท่านเป็นผู้เสียสละเสียสละจริงๆองคหลวงตาเถ้าว่าพวกเราถ้าหลวงตาไม่เสียสละขนาดนี้พวกเราก็คงจ ะ, จะไม่เข้าไปกราบไม่เคารพนับถือองหลวงตาถึงปานนี้ถึงขนาดนี้อันนี้มืดฟ้ามัวดินอย่าพวกเราท่านทั้งหลายเห็น พอลงตาสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกให้ความเมตตาต่อโลกให้ความอบอุ่นต่อโลกทองคำเข้าคลังหลวงเท่าไหร่สิบสามตันกว่าเตันหนึ่งพันกิโลจะหาได้ที่ไหนใครเป็นคนหาได้ในโลกนี้มีไหมไม่มีใครแข่งเรื่องนี้อกยกให้องค์ลงตาเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่ตัวของประเทศทของโลกทีเดียว จากนั้นท่านช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลเท่าไหรโรงร่าโรงเรียนเท่าไหร่นี่แหละที่หลวงพ่อว่าการสร้างเจดีย์ของหลวงตาบางคนก็บอกว่าทําขนาดได้ขนาดถึงก็ได้แค่เพียงพออหลวงพ่อบอกว่าต้องหาทุนให้มากที่สุดหลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกเป็นหมื่นหมื่นล้านเห็นไหมทองคำสิบสามตันเป็นกี่หมื่นล้านอถ้าเราจะบอกว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ย งบประมาณพันล้านก็ไม่น่าจะหนักหนาเพรหลวงตาหาทองคําช่วยโลกประเทศชาติมาไม่รู้กี่หมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่ล้านเราจะทําถวายองคหลวงตาเพียงพันล้านอย่างวูอย่างนั้นเหรอแสดงว่าพวกเราเนี่ยคับแคบแต่ว่าตามไม่จริงก็ช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือถ้าผู้ใดเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นพระคุณขององค์หลวงตาแล้วต้องช่วยช่วยกันเสียสละในงานนี้ การสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาถ้าพวกส ร, สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดให้ให้เสียงให้มันใหญ่ใหญ่ที่เอดสร้างเจดีย์ของหลวงตานี่นะาให้ใหญ่ที่สุดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสวยงามที่สุดที่สุดที่สุดหลวงพ่อว่างไงนะ ที่สุดยังมาแล้วอีกยังที่สุดอีกกว่าเงินเอาขนาดนั้นคือสุดใจของเราเเพราะนั้นการที่จะสร้างมนพระเจดีของลงตาแต่ทําไมจะไปหาสร้างทําไมเจดีทําไมไม่สร้างใจใช่สร้างใจเราก็สร้างแต่เทาวอวัตถุเราพิจาสร้างใจใครมองไม่เห็นแต่ทางสทาวอวัตถุนใครๆก็มองเห็นอมองเห็นอันนี้ควรจะแสดงออกถ้าใจของเราไม่สุดๆแล้วเราจะไปทําให้ สวยงามสุดๆได้อย่างไงถ้าเราใจของเราสุดๆแล้วนะการสร้างก็ต้องสุดๆนะเพราะเอาสุดๆออกมาจากใจใจของเราเนี่ยแหละให้ช่วยๆกันสร้างเนะ้อให้ช่วยๆกันคิดหนะ้านะให้ช่วยๆกันเข้าไปร่วมปรนะชุมหน้าบันทีก้าวเนะนะนะ้อเท่าไรก็เท่านั้นแหละท่นี่เมื่อประชุมกันแล้วขนาดละวางแผนกันอนะ่ะใครจะออกใครจะทําเท่าไหร่อย่างไรไนงะแต่หลวงพ่อก็มีแต่ แนะนำเท่านั้นเองแต่ควรผู้ที่จะเอาจริงๆจังๆก็คือพระฟัดป่าบ้านตาดนั่นแหละยกให้ท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของของสถานที่เจ้าของวัดพระอาจารย์สุดใจกับคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจะเอาตรงไหนอย่างไรจ้างสร้างเล็กใหญ่ขนาดไห น, นพวกเราอยู่นอกเวทีเราก็ยเหมือนกับเรานั่งรอบเวทีมวยอย่างนั้น ม, มีแต่แนะนํว่าเอ๊ยน่าจะชอกอย่างนั้นน่าจะตีอย่างนี้น่าจะต่อยอย่างงั้นเอ๊น่า พวกเราอยู่ข้างเวทีใช่ไหมพวกท่านเหล่านั้นก็ท่านไปขึ้นบนเวทีเราก็ให้ท่านดําเนินการพวกเราอยู่ข้างนอกก็จะสนับสนุนให้เจดีของหลวงตาสําเร็จร่วมไปด้วยดีแต่ว่าถึงยังไงทางว่าพี่น้องลูกหลานของเราไม่ลงรอยกันการสร้างเจดียมันก็ยากเหมือนกันเลยอย่างเหมือนเจดีของหลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น พวกเราได้กราบได้วหว้เดี๋ยวนี้พวกเราขออู้เสร็จสำเร็จด้วยดีสวยงามเป็นที่กราบที่ไหว้ของพี่น้องประชาชนแต่ก่อนที่ท่านจะสร้างขึ้นมาจุดแรกหลวงพ่ อ, อยู่ที่วัดป่าบันตาดปี 2517-18 สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นโอ้ก็รู้สึกว่าปัญหาไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าไม่ใช่หลวงตามหาปวนคงคงจะสร้างยากเหมือนกันนะ เตลงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์เอาเปี้ยงลงไปแต่จัดการทาเลยเพวกองคขบวนตีดตอกเตยชาวเป็นประธานฝ่ายคารวาสคุณไขสีตันสิริเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้หญิงนะออกแบบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะที่จังหวัดวัดสุทธาวาสจังหวัดสกล น, นครนะเอครูบาอาจารย์หลวงปู่สมัยนะัก็มีหลวงปู่องค์นั่นนะที่เป็นเจ้าวาดก่อนแต่ไม่ใช่องค์องกรก่อนนะ มันเป็นอาจารวัดชั่ว ข, ข, ข่าวคัดค้านมาสร้างยังไงเจดีรูปร่างอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้นี่แหละนานาจิตตังเพราะในสุดคู่บาอาจารย์เหล่านั้นก็โร่งโรยลมหายตายจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยทำยังไงเป็นจึงจะดีทํายังไงจึงจะพร้อมเพียงสามัคคีกันเออเอาเท่าที่ดีที่สุดแล้วก็จบเท่านั้นแหละเออเื่องคัดค้านอย่างนี้อย่างนี้ ในต่างคนก็ต่างตายไปไปเหตุจะเกิดประโยชน์อะไรควรจะเอาคุณงามความดีเข้ามาหากันดีที่สุดหลวงพ่อว่านะในไหนส่มันจะไม่ดีนะอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดอีกต่างหากถึงอยากพูดก็หยุดไว้ก่อนอย่าพูดอนยะ่างไรที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเอา้าวแต่หลวงพ่อเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือตรงประชุมเพลิงขององค์หลวงตาเนะี่ยมันจะต่ําไปหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะว่า หลวงพ่อก็อยู่ทางวัดนะที่ยินว่าปีหนึ่งมันน้ําท่วมถึงศาลาใหญ่เหมือนกันนะปิ่มปิมเลยปิ่มปิ ม, ปมพื้นศาลาใหญ่เออถ้าว่าเราสร้างตรวนี้เจดี JD น้ําท่วมอาคารน้ําท่วมเลยคงจะไม่ดีถ้าจะทํำก็คงจะถมดินขึ้นอีกเยอะแยะอีกสูงเท่าไหร่ต้องจับระดับให้ดีซะก่อนก่อนที่จะสร้างไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วปีสองปีน้ําท่วมหรอโอ้ตายหลวงพ่อว่าน นะก่อนที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยเขาว่าหลวงพ่ออีกเนี่ยหลวงพ่อละเอียดเข า, านะหลวงพ่อรอบค อ, อบหลวงพ่อละเอียดเข า, านะเออเพอ้อเพลยังแถมไปอีกหลวงพ่อชาดกก็ยังว่าอีกลับพอในตอนนี้นะ